ช่วงช่วงนี้นะก็ะมีข่าวที่เมืองไทยเราที่มีคนมีชื่อเสียงนะเป็นหลบหนีนะออกนอกประเทศเนอะนึงนงเลยอาจจะมีคดีความนะนะก็มีคนข่าวขันตึงกันเยอะนะแล้วก็ไม่นานนี้ก็มีเรื่อง คนที่มีชื่อเสียงนะถูกตัดสินนะจำคุกนะเนื่องจากคดีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเหมือนกันนะก็แต่คนนี้เขาไม่หนีนะเขาก็ยอมรับ ก, การตัดสินแล้วก็จำคุกนะคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เขาทำนะมันถูกหรือผิดจริงอย่างไรอย่างนั้นเราก็ไม่ทราบนะแต่สิ่งที่ หรือเราก็ไม่รู้หอกว่ากระบวนการตัดสินจะยุติธรรมจริงหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่ทราบแต่สิ่งที่เห็นก็คือการเรียกว่าการตอบสนองเนาะหรือว่าการท่าทีนะก็แตกต่างกันบางคนบางคนก็คงมองว่าการหนีออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่าการยอมติดคุก หือบางคนก็มองว่าการจองติดคุกนะเนี่ยยังดีกว่าการที่ต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตนะติดคุกังมีเวลาที่แน่นอ น, นอาจจะนั้นก็ได้อิสระภาพแต่บางคนก็มองว่าไปมีอิสระภาพอยู่นอกประเทศดีกว่าแต่อาจจะต้องหลบหนีอะไรบางอย่างบ้าง อันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละสถานการณ์เขาคิดกันนะนั่นเราก็เราก็ไม่ได้บอกว่าอะไรถูกผิดนะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ถ้าเราฟังนะเราอ่านแล้วสิ่งที่เป็นแง่คิดจริงๆก็คือเรื่องความไม่แน่นอนนะของชีวิต น, นี่ชีวิตบางครั้งเนี่ยบางคนก็รุ่งโรจน์มากนะจนถึงเป็น นายกรัฐมนตรีนะหรือบางคนก็เป็นถึงนักกระเดาข่าวนยะที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยนะซึ่งคือเป็ น, นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลมีทรัพย์สินเงินทองเยอะนะแต่วันหนึ่งชีวิตมันก็ไม่แน่นอนนะชีวิตต้องมานอน ในคุกนะก็มีข่าวเขาผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพแก็ถ่ายรูปสภาพในคุกตรงห้องแร ก, กรับห้ดูเนะก็บอกนักโทษทุกคนก็มีผ้าผ้าห่มสามผืนนะเป็นสมบัตินะผืนห น, ห น, น, หผนหนึ่งเอาไว้นนนหนุนหัวผืนนึงเอาไว้ปูนอนผืนนึงเอาไว้ห่ม มีแบบนี้ทุกเท่ากันเสมอกันไม่มีใครพิเศษกว่า น, นั้นคือ <c oughs> ถ้าเราลองคิดถึงสภาพเวลาอยู่ที่บ้านนะอยู่คาลาอหัสที่คาลืหัที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสวยงามมีความพร้อมทุกอย่างสบายนะแต่พอต้องมาอยู่ในคุกก็ต้องมานอนในห้องรวมนะแล้วก็มี มีเพียงแค่ผ้าสามพื้นนั่แหละเอาไว้ให้ใช้นะอืคิดวิวแตกต่างกันกันมากเลยนหรือการออกนอกประเทศเองก็เหมือนกันก็ไม่ใชว่ว่าอาจจะสบายกายนะแต่อาจจะไม่สบายใจก็ได้นะเพราะว่าที่เมืองไทยเองก็อาจจะมีห่วงมีสิ่งที่เรารักอยู่ที่ตรงนี้นะไม่ได้ไปพร้อมเรา ต่อเวลาคือมันไม่แน่นอนเลยชีวิตเคยมีนะก็หมดไปได้นะหรือพลิกผันนะจากที่สบายมากๆก็กลายเป็นลำบากมากเลยก็มีอันนี้คือจะเรียกว่าความไม่แน่นอนนะคือความแน่นอนถ้าเราฟังเราอ่านเรื่องพวกนี้เราก็ ที่จริงมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ควรไปซ้ําเติมกันหรอกเนปะ็นเรื่องที่น่าเห็นใจที่นะแต่ละควรต้องไปเผชิญกับแคตากรรมแบบนั้นซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันมีเหตุให้เกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเขาเนะี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่มันก็เป็นความทุกข์นะถ้าวางใจไม่ถูกนะก็เป็นทุกข์มาก แต่บางคนก็อย่างอ่านข่าวเนอะคนที่เขาติดคุกเขาก็บอกอเขาก็ยอมรับยอมรับเหตากกรณตัวนี้ได้นะแล้วก็จะค่อยๆปรับตัวนะค่อยๆเรียนรูนะ้การปรับตัวใช้ชีวิตให้อยู่ในคุกแบบไหนให้ใจไม่ทุกข์อะไรประมาณนะั้นก็ก็ถือว่าเขาก็ยอมรับนะความจริงได้ มากระดับหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะออยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงให้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นทา่าทีการวางใจที่ที่ดีมากแต่ที่จริงถ้าเรามองว่าความไม่แน่นอนแบบนั้นมันคงไม่เกิดกับเราหรอกนะบางทีก็เป็นความประมาทนะอืที่จริงความไม่แน่นอนมันอาจจะเกิดได้ในหลายรูปแบบ เช่นเหมือนอาจารย์กำพลอยา่นี้เนาะความพิการนะมันก็อาจจะเกิดได้จากอุบัติเหตุนะภัยทางรถยนต์หรืออุบัติเหตุอย่างอื่นหรืออาจจะเกิดจากโรคที่เราไม่ทันระวังนะเช่นเนื้อสมองแตกสมองตีอะไรต่าง ๆ, ๆก็เป็นอัมพึก อ, มอัมพาตได้จากคนที่เคยเดินได้นะ ก็รากายมัเป็นคนพิการนะก็ไม่ต่างจากการติดคุกนะติดคุกก็ไม่ได้มีอิสระที่จะออกไปข้างนอกนะแต่ยังเดินยังทำอะไรได้แต่ความพิการนี่ก็เป็นเหมือนติดคุกของร่างกายเลยนะกลายมันทำอะไรไม่ได้อย่างที่เคยทำได้เนะี่ยมันก็ไม่ได้มีอิสระภาพอย่างที่ที่เคยเป็น หรือเราอาจจะไม่พิการนะแต่วันในวันหนึ่งอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงเนะต้องนอนอยู่บนเตียงนะขยับเขยื้นไม่ได้นะหรือวันหนึ่งเราก็แก่มากจนทั้งอย่างที่เราเห็นนะอย่างหลวงปู่กรมหนะลวงพ่อกรมพอแก่มากมา ก, ก็ความจำก็ความจาก็เสื่อมไปนะ การช่วยเลยตัวเองก็ทำได้น้อยลงนะถ้ามีคนดูแลนะเปลี่ยนจากที่เคยองอาจกนละายเป็นเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะพอเราไปเห็นแบบนี้นะเห็นเรื่องราวเนี้ยลราก็พิจารณาความจริงเนะี่ยโอ้นี่แหละความจริงชีวิตนะการเห็นแบบนี้นะในทางธรรมนยะถือว่า มีค่ามากนะเราสามารถเรียนรู้แล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวได้มากนะที่ดีกว่าไปเที่ยวที่ต่างๆนะอืเที่ยวที่ต่างๆก็ยังเห็นอันนี้สวยอันนี้งามอันนี้อร่อยอันนี้สบายนะการไปเที่ยวแบบนี้บางทีทําให้หลงโลกนะหลงโลกมากกว่าเก่าหรือทําให้เราลืมตัวอแต่การได้เห็นนะ เห็นผู้คนหรือเห็นสภาพแวดล้อมบางอย่างที่ที่บางทีเราก็ไม่เคยเห็นเนาะอย่างเช่นในคุกในตารางต่างๆก็ไม่ค่อยได้เห็นกันหรือในโรงพยาบาลนะหรือในที่ทั่วไปที่เราเห็นคนป่วยคนแก่นะคนพิการอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราก็เห็นอบ้างถ้าเกิดกับคนใกล้ชิดเราเนาะม แต่บางทีเราก็ไม่ค่อยใส่ใจนะเพราะเรื่องพวกนั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเราแต่จริงให้มาพิจารณาบ่อยๆว่ามันอาจจะเกิดกับเราวันใดวันหนึ่งก็ได้นะอืมบางทีมันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่มันจะแน่นอนนะอมันา จ, จะเกิดกับเราวันใดวันหนึ่งก็ได้ให้เราพิจารณาแบบนี้นะชีวิตเราก็จะได้ระ ล, ลึกถึง เนะี่ยความไม่แน่นอนอยู่เสมอมันก็จะได้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะอืมอันนี้คือเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะถ้าวันในมันวันหนึ่งมันเกิดขึ้นนะเช่นอาจจะไม่เกิดกับเราก็ดีนะแต่มอาจจะเกิดแล้วส่งผลกระทบกับจิตใจนะเช่นคนใกล้ชิดญาติพี่น้องนะ เสียชีวิตนะ่ะหรือประสบ อ, อุบัติเหตุอนะไรเน่ยมันก็สะเทือนใจเราได้นะถ้าเราวางใจไม่ถูกหรือไม่ได้เตรียมใจไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะนแต่คนที่เป็นทุกข์ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงนะที่จริงพอเกิดอะไรขึ้นนะการเป็นทุกข์ก็คือการที่ไม่ยอมรับความจริงนะ ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะไม่น่าเกิดขึ้นกับเราเลยทำไมต้องเกิดกับเราด้วยนะไม่อยากให้มันเกิดนะไอคนนู้นผิดนะเราถูกอะไรนะั้นคือมันคือสภาวะต่างๆก็เกิดจากการที่ไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นนะความจริงอาจจะไม่ใช่ว่ามันถูกต้องก็ได้นะหมายถึงว่าความจริงที่มันเกิดคือ มันเกิดตอนนี้แล้วนะอืมมันเกิดตอนนี้แล้วอืมมันเป็นแบบนี้แล้วอืมเราถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยมันก็เรียกว่าอยู่กับความเป็นจริงเนาะถ้าอยู่กับความเป็นจริงได้เนี่ยใจก็จะเนยสบายขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนนะถ้าเรา ยอมรับความจริงได้ว่าเออตอนนี้มันเกิดมันเป็นแบบนี้เนาะ อ, อ่าตอนนี้เกิดจริงแบบนี้เนาะ อ, อ่ามันก็ยอมรับได้เนี่ยใจก็จะปรับนะอยู่กับมันได้นะที่จริงใจนะ อ, อ่าถ้าใจยอมรับแล้วร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้นะไม่ร่างกายเนี่ยมันปรับไม่ยากแต่ปรับใจเนี่ยปรับยากกว่านะ อ, อืม คือพอเรายอมรับได้เหมือนเหมือนถ้าใจยอมรับเนี่ยร่างกายมันก็จะปรับได้ของมันเองนะหรือบางอย่างเนี่ยร่างกายมันก็ไม่ได้ปรับยากหรอกนะแต่ใจไม่ยอมรับเนี่ยโอมันมันทุกข์ใจเนะี่ยกายมันก็ทุกข์บางส่วนนะแต่ใจมันทุกข์มากกว่าอืแต่ถ้าใจยอมรับได้เนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินคนระ อย่างใจกำพลบอกพอพิการนะเช่วงแรกๆก็ก็ไม่ค่อยยอมรับนะแต่พอเริ่มยอมรับได้นะมันก็ปรับตัวได้นะก็อยู่ในสภาพที่มันพิการแบเนี้นะก็ก็อยู่ได้นะหรือเราเห็นคนที่เขาอยู่ในคุกนะพอเขาอยู่ไปสักพักหนึ่งหลายคนที่เขายอมรับได้เขาก็มีชีวิตที่เออก็ดูไม่ได้ทุกมากนะ ดูบางคนนีดูมีความสุขมากกว่าคนอยู่ข้างนอกนีกพอใจเขายอมรับได้ก็มีรอยยิ้มมีมีความหวังมีอะไรต่างๆของเขาก็ดูดีหลายคนก็ดูดีได้เราเห็นคนแก่หลายคนเขาก็ยังยิ้มได้ยังมีความสุขในชีวิตนะโป่งได้ว่าธรรมชาติของร่างกายเป็นแบบนี้แหละนะนี่คือมันก็เป็นความจริงที่มัน แต่อย่าไปคิดว่ามันเกิดกับคนอื่นเท่านั้นน ะ, นะอาจจะเกิดกับคนใกล้ตัวเราอาจจะเกิดกับเรานะวันใดวันหนึ่งก็ได้นี่อันนี้คือถ้าเรายอมรับความจริงเตรียมตัวกับตรงนี้ได้นะเราก็จะมีทุกข์ถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาในชีวิตเราแต่ครานี้ถ้าเราจะเชื่อมมาสู่ชีวิตประจาวันของเรานะมันก็ ที่จริงในการที่เรามีชีวิตปัจจุบันนี้ก็ดีนะในการที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ก็ดีนะก็ใช้ที่จริงก็ใช้หลักการนะการวางใจมเหมือนกันเลยนะคือเรายอมรับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะอยอมรับอาการที่มันเกิดขึ้นจริงนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูป ก, กับนานนะมันเกิดขึ้นจริงอย่างไร เราก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นอะไระนะใจมันจะไม่ต้องดิ้นรนไปต่อสู้นะอันนี้ไม่ดีต้องไปจัดการต้องไปทานะอันนี้มันดีนะอยากจะได้เยอะๆนะอยากจะประคองอยากจะรักษาเนี่ยอยากจะเอาให้มันมากเวี้อันนี้ก็คือการดิ้นรนนะแต่การยอมรับความจริงเนี่ยการรู้ซื่ อ, อจริงคือ ก็แค่รู้อย่างที่มันเป็นอกายมันปวดกายมันเจ็บเราก็แค่รู้เฉยเฉยว่ามันเป็นแบบนี้นะมันก็มันก็สบายละใจก็ปใจก็ไม่ทุกขนะ์่ะแต่บางคนเนี่ยไปอ่าไม่พอพอมันปวดมันเจ็บเราก็ไปจมกับมันเลยนะี่ก็เป็นทุกข์ไปเลยแต่อีกพวกหนึ่งก็พยายาม จะชนะมันให้ได้จะผ่านมันให้ได้นะตอนที่ผ่านไม่ได้ก็เป็นทุกข์ตอนที่ผ่านได้ก็มีความสุขนะแต่ก็บางทีอาจจะเป็นสุขแบบหลงโอ้เราเก่งเราแน่นะก็มีนะต้องระวังนะแต่ถ้ายอมรับมันอย่างที่มันเป็นนะมันเจ็บอ่ะก็รู้ว่ามันเจ็บนะเออก็เห็นอยู่กายเจ็บนะใจเป็นผู้เห็นมันหายเจ็บนะ เราก็เห็นนะเห็นกายมันหายเจ็บนะเกิดความสุขสบายขึ้นก็ไม่ไปติดในความสุขความสบายนั้นนะก็รู้มันสุขสบายขึ้นแล้วนะอันนี้คือคือเรายอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นนะในร่างกายนี้หรืออารมณ์นะความคิดอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจก็เหมือนกันนะแล้วก็รู้เฉยๆนั่นแหละนะเราไม่ต้องไปจัดการอะไรมันมาก การจัดการที่ดีที่สุดคือการไม่ไม่ไปจัดการนะที่จริงบางทีเราพูดเรื่องการจัดการอารมณ์อะไรต่างๆนะการจัดการที่ดีที่สุดคือการไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยนะในการปฏิบัติธรรมอันนะแต่ในทางโลกอาจจะต้องมีเรื่องไปจัดการเอแต่ในทางธรรมจริงเนะี่ยการคิดแค่แค่ดูเขาแค่ดูเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ย แล้วเขาก็จะแสดงอาการเกิดดับให้เห็นเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมที่ที่ที่ถูกที่ตรงมากนะคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะแค่ดูมันเฉยๆแล้วก็มันก็จะแสดงอาการเกิดดับให้เห็นนะทุกอารมณ์นะทุกอาการนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม้เราจะชอบหรือไม่ชอบนะแต่ถ้าเราไป ไปยึดนะ่ะไปยึดอารมณ์ไว้นะหรือไปอยู่ในอารมณ์นั้นนะ่ะเราจะเข้าไปเป็นละมันจะไม่เห็นนะเหมือนสุภาษิตที่บอกว่าปลาอยู่ในน้นะําน่ะไม่เห็นน้ำนะํำนกอยู่บนฟ้าก็ไม่เห็นฟ้าไส้เดือนอยู่ในดินก็ไม่เห็นดินนะคนเราก็เหมือนกันถ้า ถ้าจิตใจนะไปอยู่ในความคิดไปอยู่ในอารมณ์นะมันก็จะไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์นะเราต้องฝึกสตินะนะ่ะสติจะทําให้เราตื่นออกมาจากความคิดนะก็จะเห็นความคิดนะเห็นจิตมันคิดนะไม่ได้เป็นผู้คิดนะเห็นจิตมันมีอารมณ์มีอาการต่างๆนะไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ เห็นร่างกายเขาเป็นใจไม่ได้เป็นด้วยนะนะสติคือที่จริงก็คือปลุกให้มันตื่นนะตื่นออกมาคือที่ยริงมันกเออ็เดิมแท้แล้วนันก็ไม่ได้เป็นหรอกนะแต่พอมันหลงไปก็เราหลงไปจมเราหลงไปยึดไว้นะการตื่นก็คือมันทําให้เรารู้ตัวแล้วก็หลุดออกมาจากการที่ยึดจากการที่หลงเข้าไปอยูเนี้ยนะ น, นี่คือ ที่จริงก็คือสติก็ทำให้เรารู้ว่าแบบนี้มันผิดนะมันก็จะกลับมาถูกเองนั่นแห ล, ละละังนั้นการผิดนการผิดก็คือสัญญาณเตือนให้มีสตินั่นแห ล, ล, ละผิดไม่ใช่ว่าผิดไปเลยนะแต่ถ้าขาดสติก็จะผิดไปเลยนะจมไปเลยนะแต่ถ้ามีสติแล้วมันก็จะกลับมาได้ถ้ามีสติแล้วจะสนุกนะเวลามันผิดเวลามันหลงเนี่ย มันเปลี่ยนของมันเองเนี่ยสนุกนะเออเหมือที่หลวงพ่อเทียนทขาบอกว่ามันคิดมากนะเราก็ยิ่งรู้มากนะแต่ถ้ามันไม่คิดเลยเนี่ยบางทีโอ้จะรู้อะไรนะมันคิดมากนะเราก็รู้มากแต่จริงถ้ามันไม่ค่อยคิดเลยเราก็รู้กายไปนะแต่ก็รู้แบบรู้แบบดูดูมันนะอย่าไปอยู่กับมันนะอืมแต่จริงความคิดมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะ มันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันคิดของมันเองนะเราก็ดูมันนะเราก็แค่ดูมันนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะพภาวนายจริงๆก็แค่ดูมันนะแต่เพียงแค่รู้เท่าทันเวลาจิตมันไปจมกับมันนะหรือจิตไปไม่พอใจมันนะอยากจะไปจัดการเปลี่ยนแปลงเลยต่างๆนะทําให้มันดีนะทําให้ทําจิตให้มันดีเนี่ย นี่เรียกว่าเป็นสมถะนะจิต ท, ที่วุ่นวายทำให้สงบจิต ท, ที่มีอกติผลทำให้มันกลายเป็นกุศลคือถ้าไปตั้งใจทำนะมันก็คืออาการของสมถะทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดนะสมถะก็ดีนะสมถะก็ดีแต่ถ้าทำแค่สมถะเฉยๆเนะ คือไปจัดการไปแทกแซงนะอารมณ์ที่ไม่ดีให้ดีนะอารมณ์ที่วุ่นวายทำให้มันสงบเนะี่ยถ้าทำแค่นี้นะมันก็แค่ดีในระดับของสมถะคือความสงบนะความสบายในช่วขนาดหนึ่งแต่เราต้องทำมากกว่า น, นั้นก็คือการที่ไม่ต้องทำนะในการแค่ดนะนะูมันจะเป็นวิปัสสนาคือเป็นตัวดูนะ อันนี้ไม่ต้องไปแทรกแซงและนะมันเกิดอะไรก็แค่ดูอย่างที่มันเป็นนะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือมันทีคําง่ายๆนะแต่เราก็เข้าใจยากนะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลนะคําว่าตัทธตานะเป็นเช่นนั้นเองนะมันเป็นเช่นนั้นเองโอแค่คําว่าเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมัน มันคือใจที่ยอมรับความจริงนะเออมันเป็นเช่นนั้นเองไม่มีความสงสัยไม่มีอะไรลนะนยใจยอมรับนะความจริงใจก็ไม่ทุกข์แล้วนะนี่คือที่จริงในการปฏิบัติธรรมก็ดีนะเราก็จะดูสภาวะอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี้นะหรือเราเห็นชีวิตคนอื่นนะแล้วก็น้อมเอาธรรมะ ที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นนะน้อมเข้ามาใส่ตัวเรานะก็ก็จะทำให้เราไม่ประมาทนะแล้วก็ไม่หลงดื่มตัวไปนะการไปวิาพากษ์วิจารณ์ข้างนอกนะไม่ค่อยเกิดประโยชน์หรอกนะแต่การน้อมธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นเข้ามาใส่ตัวเรานะน้อมเข้ามาเตือนตัวเรานะให้เราไม่ประมาทนะ แล้วก็ให้เรามีสติคอยรู้เท่าทันอาการที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนี้เนะี่ยมันก็มันก็คือสิ่งที่เราควรจะทำเนาะนะนก็ฝากไว้ครับ